592-1991 เพราะเรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลกรับฟังข่าวเชิงสร้างสารรค์เติมฝันปั้นแรงบรรดันใจในรายการเป็นเรื่องเป็นราวผูด้ดำเนินรายการวัชรินพันธชาทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8ป5เเมกะเฮิร์ กำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่า <S <S สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันวัชรินคะนาชามารับหน้าที่เป็นสื่อกลางเล่าเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านเราแล้วก็ที่ต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของคุณนั้นมีพลังอย่างสร้างสรรค์ น, นะคะเราจะพบกันตั้งแต่เวลา18บแนาฬินาทีไปจนถึงเวลา19บเนาิกาสาเออขอโทษค่ะ 19บเนาฬิกโดยประมาณแม่ครึ่งชั่วโมงยาวไปเลยนะยาวไปเลยสิบแนาฬิกาสานาทีถึง19บเนาฬิกทุกเย็นวันอาทิตย์นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วอมยิ้มค่ะฟังดูแล้วอมยิ้มเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความพยายามของคนกลุ่มเล็กๆ ก, กลุ่มหนึ่งที่อยากจะให้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะส่งต่อพลังให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นไปอย่าง มีคุณภาพในสังคมบ้านเรานะคะเป็นเรื่องราวของคณะดนตรีคลาสสิกนะคะในชุมชนคลองเตยนะคะเป็นดนตรีคลาสสิกที่ชื่อว่าวงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวงเอ็มมานูเอลออร์คสตานะคะเอ็มมานูเอลออร์คสตาซึ่งสมาชิกในวงเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในชุมชนคลองเตยน่าสนใจยังไงน่าสนใจจากความไม่ยอมแพ้ ของคุณครูคนหนึ่งที่อยากจะให้ดนตรีเนี่ยเป็นกิจกรรมกิจกรรมนึ่งสำหรับกลุ่มเด็กในคลองเตยนะคะซึ่งดนตรีคลาสสิกเนี่ยกลายเป็นทางเลือกการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์อย่างหนึ่งนะคะใครจะคิดว่าในชุมชนคลองเตยเนี่ยมันจะสามารถส่งต่อแล้วก็เป็นสถานที่บ่มเพาะให้เยาวชนกลุ่มนึงเนี่ยมีความคิดดีๆอยากจะให้สังคมนั้นมีบรรยากาศของความสร้างสารรค์เกิดขึ้นนะคะเป็นการ เ, เป็นการรวมตัวของกลุ่มบ้านสรรเสริญเป็นมิวสิ o ออฟไลท์ของมูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิตนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากจุดประกายหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะที่ได้แชร์เรื่องนี้ให้สู่สังคมนะคะดิฉันก็เลยหยิบจากมาเล่าให้ฟังนะคะโดยกลุ่มบ้านสรรเสริญเนี่ยเป็น กลุ่มที่ดำเนินการภายใต้มูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิตดำเนินกิจกรรมที่จะช่วยเหลือเด็กให้ได้เรียนดนตรีคลาสสิกโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นโครงการภายใต้คริสเตจิมานูเอลเทอร์แลนส์นะคะซึ่งอยู่ในชุมชนคลองเตยก็จะหากิจกรรมให้เด็กๆในบริเวณชุมชนเนี่ยได้ทำหลังเลิกเรียนโดยคนสำคัญ ที่เป็นฟันเฟืองคนสำคัญเลยก็คือคุณต้นกล้วยหรือครูต้นกล้วยนะคะว่าเรนอาจวิไลซึ่งเป็นคนต้นแบบที่ลงทุนทั้งชีวิตสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คนแล้วก็ให้กับเยาวชนในชุมชนคลองเตยได้นะคะโดยครูต้นกล้วยเนี่ยเดิมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในชุมชนคลองเตยนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่มีโอกาสได้ใช้เวลาว่างหลังเรียนมาเรียนดนตรีคลาสสิกนะคะ เริ่มต้นเมื่อสิบแปดปีที่แล้วเป็นชุมชนน้องใหม่ของคลองเตยคุณครูต้นกล้าต้นกล้วยนะคุณครูต้นกล้วยเนี่ยก็ได้มีโอกาสเรียนดนตรีคลาสสิกกับมิชเนลีท่านหนึ่งนะคะเรียนไวโอลินกับมิชเนลีชันท่านหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยเพอเรียนแล้วรู้สึกว่าอ ม, มันเป็นสิ่งที่เป็นช่องทางการแสดงออกที่มัน มันมีประโยชน์อะแล้วก็ตัวเองก็ได้พัฒนาแล้วก็ได้ต่อเติมความฝันจนกระทั่งคุณครูต้นกล้วยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนในวิทยาลัยดูดูดดดรียางคศิลป์นะคะของศิลปรกรที่ ไม่แน่ใจว่าที่สรรยเนาะที่าระานครปฐมนะคะก็เรียนดนตรีเสร็จจบกลับมาทำงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีความคิดที่อยากจะส่งต่อ เ, อเรื่องของด น, นตรีคลาสสิกให้อยู่ในชุมชนคุณครูก็เลยอาสาตัวที่จะไปสอนดนตรีคลาสสิกให้กับ mm hmm. เด็กๆในชุมชนแบบไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยเครือจากอิมานูเอลลูเทเลนอยู่ในชุมชนคลองเตยเนี่ย ก็ครูต้นกล้วยก็เข้าไปสอนแล้วก็พอสอนไปได้ระยะหนึ่งก็มีกลุ่มเด็กกลุ่มเด็กที่เข้ามาร่วมกันเห็นความสำคัญของดนตรีแล้วก็มาร่วมวงจนเกิดเป็นมิวสิ o ออฟไลท์นะคะมูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆกลุ่มนี้ให้มีการแสดงนะคะมีการแสดงสดแล้วก็ เด็กเหล่านี้ได้มีเวลาว่างที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่เด็กๆในชุมชนเนี่ยามาร่วมกันทำให้เป็นประโยชน์นะคะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะเพราะว่าครูต้นกล้วยเนี่ยได้ทำให้เด็กๆที่นี่ได้มีฝันได้เติมฝันไปเรียบร้อยแล้วอีกเรื่องนึงนะคะหยิบมาฝากกันเป็นเรื่องของบูคู FC ฟอ่ะฟังดูแล้วเป็นยังไงเป็นทีมฟุตบอล น, นะคะจาก า, าจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหม เพราะว่าเขาใช้คำว่าด้ามขวานของประเทศไทยบูคู FC เนี่ยเป็นทีมฟุตบอลที่ไม่แบ่งแยกศาสนาไม่แบ่งแยกเพศไม่แบ่งแยกวัยนะคะภา ร, ร ก, กิจสำคัญเขาต้องการที่จะเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้มีความเท่าเทียมกันในด้านเพศด้านวัยด้านให้มันเสมอภาคกันนะคะโดยคนสำคัญที่ทำให้ บูคูเอฟซีเนี่ยนะคะเกิดขึ้นก็คือคุณอันทิชาแสงชัยหรือว่าอาจารย์อันนะคะซึ่งเป็นคนเหนือคะ่ะเป็นคนเชียงใหม่แต่ไปเป็นอาจารย์สอนปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีปัตตานีนะคะเป็นที่รู้จักกันในวงการนักสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าเธอเป็นคนที่เป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันทางเพศนะคะโดยบูคูเอฟซีเน่ย เป็นทีมฟุตบอลที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงของคนในพื้นที่นะคะเพราะว่ามุสลิมเนี่ยเขาผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ให้แบบ ม, มาเตะฟุตบอลเลยนะแล้วก็การเปิดพื้นที่ตรงนี้เป็นการเปิดพื้นที่ที่ให้ผู้หญิงแล้วก็ LGBT นะคะ LGBT เนี่ยเป็นกลุ่ม LGBT ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุค90น LGBT เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่รวมมีทั้งเลสเบี้ยนมีเกย์มีไบเซ็กชวลแล้วก็มีคนข้ามเพศรวมอยู่ในนี้โดยที่มีการแบ่งให้สิทธิเท่าเทียมกันนะคะพูดง่ายๆก็คือผู้หญิงก็สามารถมาเตะบอลได้นะคะช่วงแรกก็คนในพื้นที่ไม่เข้าใจมีแรงสะท้อน ความไม่เข้าใจเนี่ยออกมาอย่างรุนแรงเลยเขาไม่เข้าใจว่าผู้หญิงทำไมจะต้องออกไปเตะบอลมืดคำ่ำการตั้งทีมฟุตบอลที่หลากหลายในพื้นที่นี้เนี่ยก็ทำให้เธอเองนั้นต้องทำงานอย่างหนักเลยนะคะซึ่งบูกู FC เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีไหนเอย่ยปีห้าสี่ค่ะปีห้าสี่นี่ก็นานแล้วนะคะแต่วันนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยครูอันเนี่ยอยากจะให้ บูคูเอเนี่ยเป็นเหมือนอีกหนึ่งตัวอย่างของการเปิดพื้นที่ให้คนในสังคมเป็นเหมือนภาพจาลองว่าคนในสังคมมีความเท่าเทียมกันในแง่ของการแสดงออกในแง่ของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งมันเป็นความท้าทายเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆโดยมีพื้นที่เล็กๆของสนามฟุตบอลเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ที่แสดงออกนะคะอย่างน้อยหัวใจสําคัญของการสร้างทีมเนี่ยก็บอกว่า มันเหมือนบ้านเรามันเหมือนประเทศเรามันเหมือนสังคมของเราที่มันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเชื่อทางเพศทางศาสนาอย่างเงี้ยแต่เราจะทําอย่างไรให้คนที่มีความหลากหลายนี้ยอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นพื้นที่ที่สามารถเปิดรับความคิดเห็นของคนที่หลากหลายนี้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะโดยบุคูลเนี่ย มีฟุตบอลมีนักฟุตบอลเป็นสมาชิกอยู่ประมาณ40คนมีตั้งแต่เด็กอายุ10ขวบเลยไปจนถึงวัยทำงาน 30- 40ปีก็าสามารถเล่นบอลได้ด้วยกันนะคะเพราะทุกคนเชื่อว่าเรามีความเท่าเทียมกันแล้วก็มีการแบ่งทีมแบ่งทีมยังไงเอา10ขวบไปร่วมกับ30มสิบไหมไม่ใช่เขาก็จะแบ่งจากทักษะการเล่นเพราะว่าแต่ละคนมีพื้นฐานคนอายุมากไม่ได้ไหมายความว่าจะมีทักษะฟุตบอลมากนะไม่ใช่แต่ดูจากทักษะการเล่นเป็นสําคัญ บางคนมีทักษะดีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายซึ่งตอนนี้ก็เล่นกันได้ค่อนข้างสูสีนะคะเพราะว่าระยะเวลาของการเกิดทีมเนี่ยก็มีมานานแล้วหรือน้องใหม่ที่มีอายุน้อยที่สุดในทีมเราก็มาคุยกันว่าเออเขาจะไปเล่นตำแหน่งไหนเขาจะฝึกอย่างไรโดยการรวมทีมเนี่ยจะมีขึ้นทุกเกย็นวันเสราร์อาทิตย์ช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20 นะคะก็จะเป็นการซ้อมฟุตบอล อ, อยู่ที่สนามหลังมออปัตตานีนะคะไม่มีเส้นแบ่งเขตว่าเป็นเพศไหนไวัยไหนนะคะก็จะปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียมกันนะคะก่อนเล่นก็จะมีการวอร์มร่างกายกันก่อน 5-10 นาทีเพื่อลดอาการบาดลดการบาดเจ็บแล้วก็ยืเ้ยเส้นยืดสายนะคะจุดประสงค์ของทีมไม่ได้เพื่อแข่งขันค่ะ แต่ต้องการที่จะสื่อสารในเรื่องของเพศสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันในมุมมองที่ต่างมิติกันในสังคมนะคะและที่สำคัญถ้าเกิดเราเปิดพื้นที่ให้เด็กๆเกนี่ยได้ค้นหาศักยภาพของเขาเองเขาเองก็จะสามารถ ไปมองหาสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขามีแรงมาดานใจในการใช้ชีวิตได้นะคะการลงสนามจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นดาวที่จะต้องแข่งกันหน้าเป็นห น, หน้าดำหน้าแดงเอาเป็นเอาตายนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างกิจกรรมดีๆที่เปิดพื้นที่ให้สังคมได้แสดงออกและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะกลับมาช่วงหน้าในช่วงอยากรู้ดิฉันมีเรื่องเล่าที่อยากรู้น่าสนใจรอคุณฟังอยู่ค่ะ Yeah, right. yeah. จะอยู่จะสู้ ฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้กลับเข้าสู่ช่วงอยากรู้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นหรือแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากมุมโลกนะคะมาเล่าสู่กันฟังโดยทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่กันแบบสังคมตัวใครตัวมันมากขึ้นเนาะแล้วก็ การที่จะมองหน้ากันหรือยิ้มให้กันเนี่ยก็น้อยลงไปนะคะแต่ว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ยืนยันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย n d s ซ t ของเราจริงๆลึกๆแล้วเนี่ย เ, เป็นคนดีนะ อ่านงานวิจัยแล้วก็เข้าข้างตัวเองแบบนั้นนะคะคือจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยทุกคนอยากเป็นคนดีค่ะแต่บางทีสถานการณ์อาจจะบีบคัน้นกดดันให้เขาทําสิ่งที่ตรงข้ามกับความความจริงของตัวเขาก็ได้นะลอฟังงานวิจัยงานนี้ค่ะงานวิจัยงานนี้เนี่ยเป็นคณะวิจัยที่ทําขึ้นนะคะอยากรู้เป็น อ, อยากรู้ว่าพฤติกรรมของคนเวลาที่เก็บกระเป๋าตังค์ได้แล้วเนี่ย เ, เราจะเอาไปคืนเข้ามาคิดคิดค่ะคุณผู้ฟังเราจะาไปคืนเข้ามา ะะลองมาฟังค่ะงานวิจัยชิ้นใหม่เนี่ยบอกว่าคน ทั่วโลกเนี่ยมีจิตใต้สำนึกที่ซื่อสัตย์มากกว่าที่คิดค่ะเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะคืนกระเป๋าตังค์ที่อยู่ข้างในให้แก่เจ้าของมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคิดแทนเขาว่าถ้าเกิดโอ้ถ้าเงินจํานวนนี้มันหายไปถ้าเป็นเราเนี่ยโอ้เราคงทุกข์ใจมากเราคงจะหาทางออกลําบากนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็บ้านเราก็จะมีข่าวคราวว่ามีคนเก็บกระเป๋าตังค์ได้แล้วก็คืนให้เจ้าของเห็นกันอยู่เยอะนี่เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าในต่างประเทศเขาก็เป็นเหมือนกันนะคะ ล่าสุดเนี่ยคณะวิจัยนานาชาติได้การทำการทดสอบความตึงเครียดระหว่างเงินในกระเป๋าที่ลอ่อตาล่อใจกับความซื่อสัตย์ของคนจากทั่วโลกนะคะปรากฏผลว่าน่าประหลาดใจค่ะว่าคนที่พบกระเป๋าเงินแล้วมีเงินติดอยู่เล็กน้อยเนี่ยจะส่งคืนเจ้าของมากกว่า พบเงินที่ไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเลยนะคะแหมอ่านไปแล้วนี่ว่าพอพบเงินน้อยแล้วคืนพบเงินมากแล้วไม่คืนไม่ใช่นะคะพบเงินเล็กน้อยเนี่ยก็จะคืนถ้าเกิดเป็นกระเป๋าที่ไม่มีเงินอยู่เลยก็ไม่คืนนะคะก็จะคืนกระเป๋ามากกว่ากระเป๋าที่มีมูลค่าเกือบร้อยดอลลาร์นะคะ ผลวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลสำรวจพฤติกรรมของประชาชนใน40ประเทศทั่วโลกนะคะมีรูปแบบคล้ายๆกันใน38ประเทศคือหากกระเป๋าว่างไม่มีเงินไม่มีเงินเลยอยู่ในนั้นอัตราการคืนโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 40% แต่ถ้ามีเงินอยู่บ้างจะคืนให้ 51% ซึ่งในสัดส่วนนี้มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยนะทั้งนี้ในขั้นตอนของการทาวิจัยเนี่ยผู้ช่วยนักวิจัยก็จะทาเหมือนแบบ แกล้งทำเป็นนักท่องเที่ยวแล้วทากระเป๋าสตางค์ตกไว้ตามเคาน์เตอร์ธนาคารโรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์ไพรษณนียนโรงแรมสถานที่ราชการในบางกรณีก็จะแกล้งทําตกไว้ที่สำนักวัติกันและก็หน่วยงานของรัฐบาล2แห่งที่รับผิดชอบออรับผิดชอบในเรื่องของธุริจนะคะกระเป๋าแต่ละใบที่แกล้งทาตกเนี่ยก็จะมีนามบัตรอยู่3ใบบัญชีของชํา ดูเผินๆ เ, เหมือนกระเป๋าตั้งชาวบ้านแถวนั้นค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่กุญแจส่วนเงินแบ่งออกเป็นไม่มีเงินเลยนะคะหรือแล้วก็มีเงินอยู่ประมาณ 13.45 ดอลลาร์ แล้วก็มีมากถึง94ดอลลาร์พร้อมบัตรหนึ่งใบระบุอีเมลไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดเจตนาที่จะเอาไปก็ไม่ต้องส่งหรือถ้าเกิดเจตนาที่จะเอาคืนก็สามารถจะติดต่อไปยังเจ้าของกระเป๋าไว้ด้วยนะคะโดยนักวิชานักวิชาการที่จัดทำรายงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอาจ น, นำข้อมูลเรื่องนี้ไปกำหนดนโยบายให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์ทางทุจริตและสังคมเอ่อทางธุรกิจค่ะซื่อสัตย์ทาง ธุรกิจแล้วก็สังคมได้แล้วก็หากพิจารณาจากผลสำรวจที่ได้เนี่ยก็จะเห็นว่ามนุษย์ทั่วโลกให้คุณค่ากับความเป็นคนดีและรับรู้ได้ถึงความยากลำบากของผู้คนที่ทำกระเป๋าตังค์หายตามสถานการณ์ที่จำลองขึ้นมานะคะนั่นคือมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะทางด้านใน อาเรียนโค น, นะคะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนก็เป็นหัวหน้าคณะวิจัยในยเรื่องนี้ก็ทดสอบกับพฤติกรรมของคนในหลายประเทศค่ะถือเป็นการศึกษาประเด็นความซื่อสัตย์ในหลากหลายวัฒนธรรมเป็นครั้งแรกของโลกนะคะโดยการทดลองนํากระเป๋าสตางค์ทั้งหมด1 7 3 0งหใบชอบต่างประเทศและงานวิจัยของต่างประเทศอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาทําจริงจังค่ะเขาทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยออทำทำในจํานวนทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้บอกไปคือ40 40ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็ทำในเมืองใหญ่ทั้งหมด355แห่งทั่วโลกบางใบมีเงินสกุลท้องถิ่นของประเทศต่างๆแต่บางใบไม่มีเงินอยู่เพื่อสังเกตพฤติกรรมว่าผู้ที่เจอกระเป๋าสตางค์เนี่ยจะทำยังไงกับมันนะคะคณะวิจัยชุดนี้เนี่ยยังเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินนะคะใน3ประเทศก็คือโปแลนด์สหรัฐแล้วก็อังกฤษ ปรากฏว่าผลที่ได้กักตรงกันข้ามคือคนยิ่งนํากระเป๋าสตางค์ไปคืนเจ้าของจากสัดส่วน61เป็น72เพิ่มแรงจูง ใ, น ใ, น ใ, นใจก็คือเพิ่มเงินมากขึ้นใน3ประเทศนี้นะคะในกระเป๋าหนึ่งใบเนี่ยเพิ่มเงินมากขึ้นก็คือในโปแลนในสหรัฐอังกฤษเนี่ยปรากฏว่าคนยิ่งรีบกลับเอาไปคืนเจ้าของใหญ่ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยก็น่าแปลกใจค่ะคนแปลกใจเพราะว่าคณะวิจัยบอกว่าทั้งผู้คาดเดาผลจากการเพิ่มเงินในกระเป๋าแล้วก็บุคคลที่เชี่ยวชาญและไม่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยบอกว่ายิ่งเจอเงินมาก คนมักจะเก็บกระเป๋าไว้มากคือไม่คืนเจ้าของนะคะยิ่งถ้าเพิ่มปัจจัยอื่นเช่นกุญแจที่สำคัญต่อเจ้าของแต่ไม่มีประโยชน์ต่อผู้เก็บกระเป๋าสตางค์ความอยากคืนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะผลการทดสอบนี้เนี่ย บอกบ่งชี้ได้ว่าคนใน40ประเทศมีความซื่อสัตย์ในระดับที่พอๆกันนะคะโดยสวิตเซอร์แลนด์และก็นอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่คนจะคืนกระเป๋าสตางค์มากที่สุดส่วนประเทศที่ลังท้ายในยเรื่องนี้คือจีและโมร็อกโกนอกจากนี้คณะวิจัยยังระบุว่ากระเป๋าสตางค์172ใบที่เก็บได้ในสาธารณรัฐเช็กและก็สวิตเซอร์แลนด์มีเงินอยู่ครบในสัดส่วนสูงถึง 98% นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมค่ะที่ชาวเช็กและก็ชาวสวิตมีความซื่อสัตย์ เล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะประสบการณ์ตรงตรงที่เคยไปลืมกระเป๋ากระเป๋าเป้อย่างดีเลยแล้วก็ข้างในมี i p a d มี Iphone มีทุกสิ่งอย่างที่เป็นเครื่องยังชีพของเราไว้ที่สถานีรถไฟที่สวิตเซอร์แลนด์แบบเราลืมไปเลยว่ามีกระเป๋าใบนั้นคือวางไวข้างข้างขาแล้วเราก็ก้าวขึ้นรถไฟเลยพอรถไฟมาลรวก็รีบขึ้นเลยแต่ลืมกระเป๋าเป้ไว ใบนั้นอาไว้แล้วก็ผ่านไปประมาณ30นาทีเพิ่งมานึกได้จะลงอีกสถานีหนึ่ง30นาทีคือรถไฟที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันวิ่งเร็วมากไงเราไปถึงอีกเมืองละพอจะลงรถเฮ้ยสมาชิกบอกเฮ้ยเป้ใบนั้นล่ะเอ้าไม่ได้ถือมาเหรอปรากฏว่าเราไปขอความช่วยเหลือจากสถานีรถไฟท้องถิ่นขี้น่านเ่นนะคะเขาก็บอกว่าให้ให้คุณรีบกลับไปที่สถานีต้นทางที่คุณขึ้นนะแล้วก็ลองไปติดต่อดูซิ ก่อนที่จะหมดเวลา Office ออฟฟิศอ่ะก็คือเราก็รีบกลับไปปรากฏว่าเราจุดที่เราลืมเป้ไว้อยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อซึ่งเราก็เข้าไปถามที่ร้านสะดวกซื้อก่อนว่ามีคุณเห็นกระเป๋าเป้ยอยู่ตรงนี้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่เห็นหรอกเพราะว่ารถรถไฟมันมาแบบแทบจะ5้านาทีทุกห้านาทีทุกสนาทีรถไฟมาตลอดแล้วก็มีคนเข้าร้านเขาตลอดนี่เขามองไม่เห็นอะไรเลยให้ยูเนี่ยไปติดต่อที่สํานักงานออฟฟิศ ของสถานีรถไฟปรากฏว่าพอเราเข้าไปปุ๊บเป้ใบนั้นน่ะมันยังอยู่แล้วก็เราเห็นแล้วมันแบบว่า ม, มันกระจ่างเลยตรงที่ว่าทำไมสวิตเซอร์แลนด์ถึงเป็นประเทศที่มีระบบาการเดินทางการสัญจรหรือการดูแลนักท่องเที่ยวได้ดีขนาดนี้เพราะว่าทุกจุดที่ไปมีกล้องวงจรปิดและเขาเก็บกระเป๋าเราไว้อย่างดี เราแทบจะไม่ต้องเอาอะไรไปแสดงเป็นหลักฐานเลยนะคะตรงนี้ก็อยากจะฝากถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบเหตุไม่ว่าจะเป็นการลืมกระเป๋าหรือเป็นคนหนึ่งที่ประสบเหตุได้เก็บกระเป๋าได้ลองคิดถึงคนที่เขาลืมกระเป๋าคุณจะรู้เลยว่าโอ้มันมันเป็นอะไรที่แบบว่าจะหาไปทางไหนจะหันไปทางไหนดีตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะคะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคน อยากเป็นคนดีค่ะแล้วเขาเองเขาก็มี mindset ที่ดีที่อยากจะเป็นคนดีแต่บางทีอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมหรือสภาพการบีบคั้นที่ทำให้เขาต้องทำสิ่งที่ตรงข้ามกับความดีของเขานะคะมีเรื่องดีๆอีกเรื่องนึงเอามาเล่ากันนะคะเป็นเรื่องของเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก ที่ไหนกันนาะลองมาดูค่ะเป็นข้อมูล เ, เมื่อเดือนมีนาคมนะคะจาก BBC News ประเทศไทยนะคะ เ, เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเมืองที่มีค่าครองชีพอย่างกรุงปารีสฝรั่งเศสสิงคโปร์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนเนี่ยได้รับการจัดให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกประจําปี2500อ่าไม่ใช่ค่ะประจําปี2019ส่วนกรุงเทพมหานครของเราอยู่ในอันดับที่41ค่ะ นี่เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์3าปิดปีนะคะในการจัดอันดับของ Economist i n t e l l i g e n เจนต์นะคะหรือว่า EIU หน่วยเคราะข้อมูลทางเศรษฐกิจของนิติสาร t h ตยสารด m โ s t คโนมิที่มี3เมืองครองอันดับ1ร่วมกันนะคะเวียนนาของออสเตรียนะคะลังแชมป์เมืองคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกนะคะ10ปีซ้อนเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อคุณผู้ฟังอาจจะอยากหากโอกาสไปเยือนเวียนนาสักครั้งหนึ่งนะคะ เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก10ปีสอนส่วนกรุงเทพอยู่ที่อันดับ133ค่ะสำหรับคุณภาพชีวิตเป็นอันดับที่133นะคะส่วนดัชนีที่ดึงดูดคนเก่งของโลกสิงคโปร์ครองอันดับ2ค่ะนั่นหมายความว่าคนเก่งๆอยากที่จะเข้าไปทำงานที่สิงคโปร์เป็นอันดับ2ของโลกส่วนไทยอยู่ที่อันดับที่70มไม่คิเรยนะคะทาเนียบเมืองมหาวิทยาลัย นะคะของโลกก็คืออยู่ที่ลอนดอนนะคะมหาวิทยาลัยหลักๆสําคัญๆของโลกอยู่ที่ลอนดอนนะคะคนอยากจะไปเรียนที่นั่นส่วนกรุงเทพอยู่ที่อันดับที่54ไม่คิเรเหมือนกันนะคะโดยผลการจัดอันดับนี้เนี่ยมาจากการสรํารวจแล้วก็เปรียบเทียบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันอย่างเช่นราคาขนมปังเครื่องดื่มแอลกอฮอลยาสูบค่าตัดผมค่าเดินทางแล้วค่าที่พักอาศัยใน133เมืองจากทั่วโลก ร้3ยเมืองจากทั่วโลกนี่นั่นหมายความว่าเมืองคุณภาพดีที่สุดคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกเนี่ยกรุงเทพเราได้ตำแหน่งที่ร้อยนะคุณผู้ฟังแล้วก็เอาราคาดังข่าวมาเปรียบเทียบราคาในนครนิวยอร์กของสหรัฐเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการจัดอันดับค่าครองชีพนะคะส่วนสิงคโปร์นั้นครองอันดับ1เมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก5ปีซ้อนค่ะ เพราะฉะนั้นแม้จะใกล้เรานะคะแต่ค่าของชีพเขาไม่ธรรมดานะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเป็นเรื่องเป็นราวสาหรับเย็นวันนี้นะคะขอให้คุณผู้ฟังเริ่มต้นวันทํางานในวันพรุ่งนี้อย่างสดใสแข็งแรงมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งนะคะดิฉันเป็นกําลังใจให้สําหรับวันนี้ดิฉันวัชรินคณชาลาไปก่อนสําหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฝากเรื่องราวดีๆอยากให้เราแชร์อยากให้เราช่วยนะคะผ่านทางแฟนเพจ